ยังไม่มีสักครั้งที่โลกเป็นดังดินแดนสวรรค์ทุกคนมอบรากมอบรอยยิ้มและรวงแบ่งปันทุกๆวันเหมือนคู่รักกันเมื่อวันแรกเจอเธอคือความหวังคือพลังอันยิ่งใหญ่ s u n s h i n โลกเป็นดั่งดินแดนสวรรค์ทุกคนมอบรักมอบรอยยิ้มและรวมแบ่งปันทุกๆวันเหมือนคู่รักกันเมื่อวันแรกเจอ วันไม่มีทางในวันนี้ใครจะเป็นแค่เพียงความฝันแค่สักวันเมือสวรรคจะถูก ส, สร้างดูเส้นทางสายใหม่คือเส้นทางสาย ที่เป็ใครว่าไม่มีทางแมดูเหมือนเลือนล่างก็จะซู้